คุ่นกับไขพระไม่ระวังใข่แต่ระวังตัวเองพระเป็นอย่างไงไม่ระวังใครมากดีกว่าระวังตัวเองหนึ่จะบวชที่มาอยู่ที่นี่อีกสองจล้วชายคนหนึ่งแล้วก็คนน้อยหรือคนอมาเมากก่ามั้งคุณทุนจ้างทุนจ้างน มันดูได้เมื่อไหร่แถวสลาแถวครัวนี่มาเฉพาะเวลาจำเป็นมงเพราะั้นจะมายุ่งนะมนขวางตามานานแล้วเราไม่เคยนี่ไม่รมจนอกจะแตกยังไม่รู้อยู่เลยยังว่าดีหรือการปฏิบัติ อุปการดำเนินอกจะแตกแล้วนะพูดขีครั้งแล้วครับคำนี้พูดขีครั้งแล้วมาติดคออยู่เลยเวลาพูดไ ป, ไปก็ออกมาเลยติดเลย <c oughs> คำว่าธรรมเป็นธรรมชาติที่มีอยู่อย่างสดสดร้อนร้อนโดยไม่อ้างการอ้างเวลาสถานที่ใดๆทั้งสิ้น การที่จะรู้ธรรมเห็นรรมที่ว่ามีอยู่ตลอดอนันตการนั้นต้องดำเนินตามหลักศาสนธรรมฝ่ายเหตุที่ท่านชี้แนะแนวทางเอาไว้ซึ่งเป็นอุบายวิธีหรือทางดำเนินสดสดร้อนร้อนเช่นเดียวกันกับ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 สิงศกดิ์โสมมทั้งหลายจนไม่อาจคำนวณได้ว่ากี่ปีกี่เดือนกี่กับกี่กันเรียวกว่าไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายนานถึงขนาดนั้นจิตดวงนี้ทรงไว้ซึ่ง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 อยู่ด้วยความอยากไม่มีเวลาพักตัวได้เลยนอกจากเวลาหลับสมัครทรงนั้นคิดของสัตว์โลกบรรจุสิ่งที่กล่าวไว้นี้แอมด้วยกันไม่มีใครจะบกพร่องกว่ากันเลยเพราะฉะนั้นคำว่าทุก ซึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากสิ่งเหล่านี้ผิดขึ้นมาจึงไม่เลือกชาติจะเป็นชาติมนุษย์ชาติสัตว์ชาติใดก็ตามชั้นวันนะจำต้องยอมรับสิ่งที่ธรรมชาตินี้ผิดขึ้นจากใจของตนนั่นแหละมากน้อย สุขกทุกมากน้อยเพียงไรก็จำต้องยอมรับเพราะไม่มีอะไรจะมาผัดเปลี่ยนให้มีรสมีชาติหรือมีการกระทำต่างจากนี้นี่เราทั้งหลายทั้งหลายบวชมาในพุทธศาสนา ตั้งแต่เริ่มเกิดมาพบพระพุทธศาสนาก็จัดว่าเป็นรากอันหนึ่งแล้วเพราะชาติมนุษย์นี้เป็นชาติที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับาศาสนาธรรมทั้งหลายนอกจากนั้น ย, ยังได้มาบวชในพระพุทธศาสนาท่านผู้ต้องการทรงมรรคทรงผลเรียนจากสภาพแห่งการ ทรงกิเลสแบกบหามกิเลสทั้งหลายด้วยใจของตนเองก็พึงดำเนินตามหลักาศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วนี้ด้วยความถูกต้องแน่นยันในขณะเดียวกันพึงระวังเสมอว่าสิ่งที่เป็นค่าศรรึกของธรรม และเป็นค่าสิ์ของใจเรานั้นมีความคล่องตัวมากเพราะเคยอยู่บนหัวใจเคยมีอำนาจครอบครองใจมาเป็นเวลานานแล้วจะขัดจะขวางจะกีดกันให้กำลังวางชาทุกด้านที่จะเป็นไปเพื่ออัดเพื่อทำนั้นด้อยลงไป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 สวขาโตพระกวตาธรรมโอตราดไว้ชอบแล้วทุกแง่ทุกมุมในบรรดาธรรมอันเป็นความชอบไม่ผิดเพี้ยนแม้แต่น้อยผูปฏิบตัติในนักบวชเป็นํำขัญถึงมีหน้าที่อันเดียวนี่เท่านั้นกิจการงานอื่นใดโลกที่เขามีศรัทธา ใจบุญอยู่แล้วเขาช่วยสนับสนุนเหลืจนได้ห้ามเอาไว้เพราะมันจะทำให้ลืมตัวและการปฏิบัตินื่นชาด้วยปัจจัยทั้งสี่คือจีวรบิณฑบาตอาหารการบริโภคเครื่องหนึ่งห่งช้สอยที่อยู่ที่อาศัย ยาแก้โรคแก้ภัยนี่ไม่อดไม่อัน้นเป็นมาจากศรัทธาญาติโยมสนับสนุนเขาพอใจอยู่แล้วแม้เขาทำไม่ได้อย่างนักบวชเขาก็สิ่งใดที่อยู่ในวิสัยของเขาเขาพร้อมเสมอชาวพุทธเราพร้อมอยู่แล้วเราผู้เป็นพระซึ่งออกแนวรบเพื่อจบธมจันทร์ ทรงไว้ซึ่งมรรคผลนิพพานเรืงไม่มีอะไรบกพร่องในบรรดาเครื่องสนับสนุนที่ขาดอยู่เวลานี้เฉพาะอย่างยิ่งก็คือศรัทธาแม้เชื่อมรรคผลนิพพานว่าเป็นของมีตามหลักธรรม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 ความขมักความเนด้วยความขายันหมั่นเพียรด้วยความออกินออกจังเรียกว่าเป็นหลักมั่นคงต่อการกระทำก็ไดย้ยิ่งปัญญาด้วยแล้วไม่มีวิเว่วบ้างเลยอันปัญญาที่ใช้ในโลกในตรงสารนี้เข้ากับปัญญาที่จะแก้กิเลสไม่ได้จึงเรียกว่าไม่มีปัญญา ก็ได้ในตามหลักธรรมปัญญาทางโลกทางสานมีได้ด้วยกันทางนั้นมนุษย์าวยิ่งเรียนมากก็ยิ่งมีความฉลาดมากไปตามโลภจะปิยวิสัยแต่ปัญญาที่เป็นด้านธรรมะซึ่งจะถอดถอนตัว่าสุกันเป็นเรื่องเหมาะสมต่อกันอย่างยิ่งไม่เกิดไม่มีภายในจิตใจของเรานี่แหละที่แบบพวกเราด้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 เ, เราต้องการเป็นผู้ทรงมากทรงผลดังศาสดาองค์เอกและสาวกอรหันทั้งหลายท่านส่งจงเป็นผู้หนักแน่นในข้อวัดปฏิบัติตามแนวทางแห่งธรรมแห่งวิ น, นัยที่ประธานไว้แล้วอย่างใดอย่าเสียดายสิ่งใดมากยิ่งกว่าหลักธรรมหลักวิ น, นัยมากยิ่งกว่าการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความเข้มแข็ง ตามหลักทมหลักวินัยชีวิตจิตใจของเราทั้งมวลให้ทุ่มลงไปเพื่อมรักผลมิพานเพื่อความบุญพนอย่ามีความคินชากับสิ่งใดบรรดาที่เคยสัมผัสสัมผั์มาแล้วผลที่ได้รับก็ดังที่เคยเป็นมาแล้วนั้นไม่มีอะไรแปลกต่างจากใคร ท่อตาหูจมูกลิ้นกายใจมีเหมือนกันในสามันชนทั่วๆไปความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสนั้นๆจะมีในลักษณะเดียวกันเหเราก็เคยผ่านมามากแล้วจึงควรละสิ่งเหล่านั้นไม่เสียดายไม่เป็นอารมณ์ไม่เป็นอะไรแล้วเปลี่ยนความรู้สึก หมุนตัวเข้าสู่อัดสู่ธัมเข้าสู่ข้อปฏิบัติมีเท่าไรความรู้สึกนึกคิดให้น้อมเข้าเพื่อ ก, การบำเพ็ญหรือเพื่อความเพียรอันเป็นการถอดถอนสิ่งที่เป็นค่าศึกฝังจมอยู่ภายในจิตใจนั้นให้ออกได้ด้วยความเพียรโดยวิธีต่างๆผู้นี้แหละ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 ในอุบายวิธีการเสี้ยมสอนของกิเลสและไม่ว่าจะสัมผัสสัมพันธ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิน้นทางกายครุ่นคิดให้เป็นธรรมมารณ์ทางใจเป็นสิ่งที่ชอบเป็นสิ่งที่อ้อยอิ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีความจืดจางได้เลยติดพันกันได้ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนไม่มีคำว่าอิ่งพอแล้วนี่คือความติด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 ยังมีความหนาแน่นไปด้วยเรื่องของกิเลสภายในจิตใจอยู่แล้วอะไรกระดิกออกมาจะต้องเชื่อและจะเป็นต้องจะต้องเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดและเชื่อดะไปเลยเดินไม่มีความสํานึกเลยว่านี้เป็นความผิดหรือความถูกเพราะเคยชินอย่างนั้นมานานแสนนานเนื่องจากไม่มีสิ่งใดที่เข้าแทรกเข้าซ้อนเข้าเป็นคู่แข่ง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 ใจจึงมักไหลลงสู่ทางที่เละเสมอหรือไหลลงสู่ตลอดเวลาในเบื้องต้นจิตย่อมเป็นเช่นนี้ด้วยกันด้วยเหตุนี้การต่อพืชปฏิบัติจึงล้มลุกคุกคลานแต่เมื่อได้ทำความอุตสาห์พยายามดูโดยสม่ำเสมอและได้ยินได้ฟัง ถ้าทำจากครูจากอาจารย์ที่ท่านสอนโดยความถูกต้องแม่นยำย่อมจะทาย่อมจะซึมซาบเข้าภายในจิตใจวันเล็กและน้อยตัวเองก็ดำเนินปฏิบตัติการฟังธรรมก็เข้าสู่ใจอยู่โดยสม่ำเสมอใจย่อมซึมซาบกับธรรมเข้าไปโดยลำดับจนกระทั่งคำว่า ผลคือสมาธิในเบื้องต้นได้แจความยือกเย็นความสงบใจปรากฏขึ้นที่ตัวของเรานี่เป็นภาคภูมพอผลไดปรากฏขึ้นย่อมจะเป็นคู่เทียบเชียงกันได้กับผลที่กิเลสผิดขึ้นมาในรับความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างไรบ้าง ระหว่างความสงบกับความฟุ้งซ่านที่เคยเป็นมานานแม้ความสงบจะเกิดขึ้นในเพียงขณะเดียวเท่านั้นก็เป็นสิ่งที่สะดุดใจอยู่มากด้วยเหตุที่ว่าธรรมนั้นแม้จะมีจำนวนน้อยแต่ก็มีลิธาสักดาณุภาพมากพอที่จะให้หลืมไม่ได้จะปรากฏเพียงขณะหรือเวลาเดียวก็ตา่างยังสามารถจะยึด จิตใจหรือดึงดึงดูดจิตใจให้เกิดความมรึกเสียดายอยู่เป็นเวลานานแล้วยิ่งได้ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความ <c oughs> อุตส่าห์พยายามเพราะอาศาัยผลที่ปรกากฏขึ้นแล้วเป็นเชื้อหรือเป็นแม่เหล็กเครื่องดึงดูดก็ยิ่งจะเพิ่มกำลังขึ้นโดยลำดับตำดา คำว่าสมาธิในที่ว่าเป็นภาค พ, พื้นก็กลายเป็นสมาธิที่ละเอียดแนบแน่นเข้าไปความสงบละเอียดเพียงไหความสุขความสบายความแปลกประหลาดความอัศจรรย์แห่งธรรมซึ่งเป็นผลเกิดขึ้นจากการปฏิบัติของเราก็ยิ่งเด่นชัดขึ้นภายในจิตใจนี่ทมได้เริ่มเข้าสู่จิตใจบ้างแล้วแม้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 ก็ยิ่งเข้มแข็งชาติก็ตั้งได้เป็นลำดับลำดาเนี้ยจะยังไม่ถึงขั้นปัญญาก็าตาพอจิตมีความสงบซึ่งควรจะพิจารณาแยกแยะตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ว่าสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโฮติมหานิสังสา ปัญญาเมื่อมีสมาธิเป็นเครื่องหนุน แ, แล้วย่อมดำเนินตนได้ด้วยความคล่องตัวสะดวกแกละแก้วกล้าว่องไวนะเมื่อได้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาสภาวะธรรมทั้งหลายมือกายยัคตาเป็นสำคัญคือกายของเรากายภายในกายภายนอก กายเขากายเรากายสัตว์กายบุคคลพิาจารณาแยกแยะออกได้หลายแขนงออกได้หลายอุบายตามแต่ปัญญาที่จะพิจารณาให้แยกคายไปในทางใดส่วนมากมักจะแยกแยะออกไปในทางด้านอสุภะคือความไม่สวยไม่งาม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 ในขั้นต่อไปก็พิจารณาเป็นไตรลักษณ์โดยเป็นหลักธรรมชาติของใจหากมีความท่านักหากมีความส่ะความแสวงที่จะพิจารณาเป็นวักเป็นตอนในเรื่องของไตรลักษณ์จะเป็นไตรลักษณ์ใดก็ตามอันเป็นเรื่องของปัญญาด้วยกัน เมื่อปัญญาได้สอดแทรกลงไปที่ตรงไหนความจำปลอมที่กิเลสมันปักเสียประไว้เช่นว่าเป็นของสวยของงามเป็นต้นปัญญาจะพังทลายเข้าไปหมดเพราะนี้เป็นของปลอมล้วนๆแม้เราคิดดูด้วยสามมันสำเนึกเราเราก็ค้านคำว่าอสุพะนี้ไม่ได้เพราะไม่สวยไม่งามอันหนเลย นางสวยที่ตรงไห น, นเนื้อสวยที่ตรงไหนเอ็นกระดูกสวยที่ตรงไหนมาหมาักมดใจตับปอดทั้งปุ่ไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าสวยงามที่ตรงไหนนี่เพียงเร า, าในสานึกสามันสำนึกเราเราก็ค้านไม่ได้ เห็นแต่เพียงว่ากิเลสมันมีอำนาจเหนือกว่าถึงไม่สวยไม่งามเท่าไรกิเลสมันก็บอกว่าสวยว่างามก็จำต้องถูกมันฉุดลากไปจนได้นี่แหละเราติดเพราะความถุดลากของกิเลสแม้ปล้อมเรากิเลสพาว่าจริงเราก็ว่าทีนี้ปัญญาสอดแทรกเข้าไปสอดแทรกเข้าไปจนกลายเป็นเรื่องปัญญาพังทลายสิ่งจำพรอมทั้งหลายรั้วแต่ความจริงล้วนล้วนไหนขั้นนี้ คืออรุภาอรุพังเต็มหมดทั้งตัวไม่ว่าหญิงว่าชายสัตว์บุคคลมีสภาพเช่นเดียวกันนี้หมดจากนั้นแยกแยะออกไปเป็นอนิจจังข้ามแปรสภาพทุกขังบีบครั้นอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่ว่าส่วนร่างกายและจิตใจสงสัยที่ตรงไหนคําว่าทุกก็เห็นอยู่ชัดๆคําว่าแปรสภาพก็เห็นอยู่ชัดๆอนัตตาผมนันหรือเป็นเรา ขนและพันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนั่นเหนือเป็นเราแล้วรวมแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นธาตุดินดินนั่นเหนือเป็นเราน้ำนั้นเหนือเป็นเราเรานั่นเหนือเป็นน้ำเป็นดินลมนั่นนั่นเหนือเป็นเราไฟนั้นเหนือเป็นเราหรือเรานั่นเหนือเป็นไฟเป็นลมไฟก็รู้ชัดๆว่าไฟอยู่แล้วลมก็รู้ว่าลมอยู่แล้วมาเป็นเราได้อย่างไร ดินน้ำก็รู้ว่าดินว่าน้ำอยู่แล้วอย่างตามท้องนาเนี่มองไปสิมาเป็นเราได้อย่างไรก็น้ำดินก็เยียบย่างไปมาอยู่นี่ก็เป็นดินเห็นชัดๆอยู่แล้วเป็นเราได้อย่างไรเป็นของเราได้ไหแล้วดินน้ำลมไฟในร่างกายของเรานี้ก็เป็นดินน้ำลมไฟเช่นเดียวกับภายนอกนั้นมันแตกต่างกันตรงไหนเึง่จะมา หัดมาแย้งความจริงถือว่าเป็นเราเป็นของเราได้ปัญญาแทรกลงไปจนกระทั่งเห็นแจ้งประจากภายใจิตใจแล้วจะไม่ปล่อยได้อย่างไรก็ดินน้ำลมไปคำว่าเราว่าของเรานั้นเรื่องของกิดเลสมันบังคับเฉยแต่อํานาจแห่งความจริงแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปจนกระทั่งคังทลายความจำปลอมนี้ออกได้แล้วมันก็ปล่อยวางได้เนี่ยนี่แหละเรียกว่าปัญญา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 กิเลสให้แหลกแตกกระจายไปอยู่เช่นเดียวกันและกลายเป็นจิตที่ทรงอักทรงธรรมขึ้นมาโดยลำดับลำดาแล้วนี่เมื่อการพิจารณาไม่หยุดไม่ถอยตามหลักธรรมชาติที่กล่าวมาแล้วนี้คืออยู่ในวงตรายลักษณ์หรืออสุภะอสุผังซึ่งเป็นความถูกต้องในงานอันเป็นอุบายวิธีการทำลาย ความจำปลอมของขี้เหล็กที่มันปักเสียบเอาไว้หมดทั้งเนื้อทั้งตัวนี้ให้ขาดสะ บ, บั้นลงไปโดยลําดับลดาดายีดย่ำถอยตัวเข้ามาไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่สําคัญนั้นว่าเป็นเราเป็นของเราสิ่งใดเป็นความจริงอย่างไรก็ทราบชัดและรู้ตามเป็นจริงของมันอย่างนั้นเช่นเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟก็ไม่คาดไม่ค้านไม่ขั ด, ไ ม, ข ไ, มขดไม่แยง้งเพราะเป็นความจริงล้วนๆแล้วด้วยปัญญา จิตก็ไม่ไปแตะไปต้องไม่ไปยึดไปถือไม่ไปแบกบไปหามด้วยอํานาจของอุปทานเหมือนแต่ก่อนถอนตัวเข้ามาด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงอย่างนี้นจิตก็เป็นจิตที่ทรงอัดทรงทำหรือว่าทรงมากทรงผลขึ้นมาเป็นขั้นๆเป็น ต, นตอนๆนิเรศก็เสื่อมลงไปที่เคยฝังจมยุพราชิตก็ถูกกําจัดออกไปด้วยสติธรรมปัญญาธรรม เป็นสำคัญนี่จิตที่ทรงมากทรงผลคือทรงอัดทรงทำทรงด้วยวิธีการอย่างนี้การทรงกิเลสก็มีวิธีการอันหนึ่งที่กิเลสพาให้ทรงพาให้แบกบให้หามเป็นอุบายของกิเลสประเภทแต่ละประเภทประเภทเสียมสอนให้เราหลงเคลิ้มไปตา่าง เพราะฉะนั้ น, นการเชื่อกิเลสจึงเชื่อได้ง่ายยิ่งกว่าธรรมในขั้นเริ่มแรกขั้นต่อมาถึงขั้นปัญญาดังที่กล่าวมาแล้วนี้ความเชื่อธรรมเชื่อได้ง่ายความเชื่อกิเลสเชื่อได้ยากแล้วเห็นกิเลสเป็นภัยด้วยมีการเล่ามัดระวังและต่อสู้ขับไล่กิเลสอยู่เป็นประจํา ในหลักแห่งความเพียนของผู้เห็นไผ่นี้ด้วยเมื่อเป็นเช่นั้นกิเลสจะมาสนิทนติดจมกับเราได้อย่างไงเมื่อเราไม่ได้มีความสนิทติดจมกับกิเลสกิเลสย่อมจะจางออกไปทำที่เป็นที่สนิทติดจมฝากเป็นฝากตายของเราก็าปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วเมื่อทำปรากฏขึ้นมาภายในใจไม่ได้สร้างความทุกข์ความลําบากให้เราเลยมีแต่ สร้างความสุขความเย็นใจความแยบขายขึ้นภายในจิตใจโดยลําดับลําดากงกันข้ามกับวิเลศเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นสวนรทางกันวิเลศมีมากมีน้อยสร้างแต่ความทุกข์บีบคั้นจิตใจเราธรรมมีมากมีน้อยเมตสร้างแต่ความสุขความเย็นใจความแยกขาย ให้กิจใจนี่แหละเป็นคู่แข่งกันเห็นได้อย่างชัดๆภายในจิตดวงเดียวระหว่างกิเลสเป็นผู้ผิดงานขึ้นมาผลของกิเลสผิดขึ้นมาเป็นอย่างไรทำเป็นผู้ผิดงานขึ้นมาผลของธทำเป็นอย่างไรในจิตดวงเดียวเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์ธรรมและกิเลสย่อมทราบได้อย่างชัดเจนจึงสนุกคัดเลือกเรื่องของกิเลสกับเรื่องของธรรมได้ด้วยปัญญาของตน โดยไม่มีความลองใจนี่ท่านผู้ทรงมากทรงผลท่านทรงประดุลลำดับตำดายอย่างนี้จนสุดท้ายปัญญาแทรกเข้าไปหมดไม่ว่าจะรูปลายทุกสัตว์ทุกส่วนรู้เห็นตามเป็นจริงด้วยปัญญาและปล่อยวางไว้ตามสภาพแห่งความจริงของมัน ไม่ว่าจะเป็นส่วนทุกขังอนิจจังอนัตตาหรือว่าเป็นอริุภาพาอริยพังเห็นตามความเป็นจริงทั้งสิ้นและปล่อยวางไม่ยึดถือโดยประการทั้งปวงนี่เป็นส่วนยาญ่คือรูปประธรรมส่วนนามมาทมท่านกล่าวไว้ว่าขันธ์สีเวทนาความสุขความทุกข์เฉยๆซึ่งมีได้ทั้งทางร่างกายและจิตใจสัญญาคือความจา จำได้หมายรู้สังขารคือความคิดความปรุงภายในใจิตใจวิญญาณความรับทราบในขณะที่ตาหูจมกูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งภายนอกคือรูปเสียงกลิน่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆสิ่งเหล่านี้นี้มีแต่ความเกิดขึ้นและดับไปดับไปและเป็นไปตามความปินของหมันไม่ว่าสุขไม่ว่าทุกข เกิดขึ้นดับไปด้วยกันทั้งนั้นท่านจริงกวก่าเวทนาอานิจจ์หรือเวทนาอนัตตานะยึดได้ยังไงอนิจจ์อนิจจังแวดไว้ใจได้ยังไงมันแปรเห็นอยู่เนี่ยจะโดดเข้าไปควากงจักได้ยังไงมันหมุนตัวของมันอยู่ด้วยความแปรสภาพตลอดการ อนัตตาก็บอกชัดเจนแล้วว่าอย่าอย่ายุง่งอย่ายืดกงจักทั้งมวลเขาเดินอยู่ตามสภาพของเขาโดยธรรมชาติของเขาเองเราอย่าหลงอย่าเขาไปสํำคันให้เป็นแง่ต่างๆไปจากธรรมชาติเดินของเขาคืออนัตตาโดยแค่ปัญญาจิงงยางทราบในสิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงแล้วปล่อย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 ของกองทุกข์ที่ใจเป็นผู้แบกหามแต่ผู้เดียวแลวรวมลงไปก็คือกิตตะอวิชชาเมื่อรูปเวทธนาสัญญาสั้งขานวิญญาณซึ่งเป็นที่หลบซ่อนเป็นที่ทำงานสแสวงหาผลรายได้สำหรับวิริยะได้ถูกปัญญาทำลายสะบั้นหันแหลกไปหมดแล้ว เพราะอวิชชาไม่มีที่หลบที่ซ่อนจึงหดตัวเข้าไปสู่จิตปัญญาซึ่งเคยรู้จริงเห็นแจ้งยังเข้าไปสู่จิตที่มีพิษภัยฝังจมอยู่ภายในนั้นทำไมจะไม่รู้ทำไมจะไม่เห็นคำว่าอาวิชชาก็คือยอดแห่งสมมติหรื อ, อยอดของกิเลส มหาสติมหาปัญญาก็คือยอดแห่งปฏิปทาฝ่ายมาัจแทงทะลุกันจนได้จนอวิชชากระจายไปหมดเป็นถ้าเรียกว่าผุยผงก็เลยผุยผงไปแล้วไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยใจดวงนั้นแหละที่ ควิชาไปปราดแล้วนั้นเป็นใจที่ทรงมากทรงผลเต็มจัดเต็มส่วนเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายสารทิติโกผู้รู้ผู้เห็นนั้นจะเห็นประจักษ์ตนด้วยการปฏิบัติของตนทมที่กล่าวมาแล้วนี้เหล่านี้คืล่าสมัยไปแล้วหรือถ้าไม่ใช่กิเลสมันกล่อมว่าทำนั้นค ữ, นืนันล่าสมัย กิเลสมันทันสมัยมันขิดทุก์ให้สัตว์โลกได้รับความทุกข์ความทรมานเท่าไหร่ก็ไม่มีวันตื่นไม่มีวันเห็นโทษเพราะกิเลสมันทันสมัยทำมันก็แม้ทำมันก็กีดกันปิดบังวันหมดเสียไม่ให้สัตว์โลกทั้งหลายได้เห็นตามหลักความจริงแล้วกิเลสมันหยาบที่สุดทำประเสริฐสุดนั่สนทางกันน้อยเอร์เซ็น ธรรมชาติหนึ่งเลวร้อยเปอร์ซ็ธรรมชาติหนึ่งประเสร100ิฐร้อยเปซก็ยังถูกกิเลสมันปิดกั้นไว้หมดไม่ให้เชื่อไม่ให้รู้ไม่ให้เห็นไม่ให้สาะไม่ให้สแสวงให้สาะให้แสวงให้เชื่อให้ทําตามกลอนอุบายของมันถ่ายเดียวเท่านั้นมันจึงเป็นผู้ครองจิตใจของสัตว์โลก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 พว่าสถานที่เดี่ยวนี้ได้เคยมาแล้วได้เคยเห็นแล้วเห็นยังไงก็ตาบอดจะเห็นได้ยังไงจะรู้ได้ไงก็ใจมันบอดด้วยเพราะตาปิดเสียมันก็ไม่มองเห็นนี่แหละการเกิดแก่เจ็บตายของสัตว์โลกเกิดแก่เจ็บตายเคยเกิดแก่เจ็บตายมากี่พบกี่ชาติก็ทํานองเดียว ก, กันกับคนตาบอดท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆนั่นแหละ เหมือนเตินของใหม่ไปอยู่เรื่อยๆใจที่ถูกอวิชชาปิดบังหุ่มห่อไว้ให้ไปด้วยความมืดบอดจึงไม่สามารถที่จะทราบแต่ว่าพบนี้พบเก่าพบนั่นพบใหม่เราเกิดเคยเกิดมาแล้วในพบนั้นชาตินี้เป็นสัตว์บินบุคคลหรือไปเกิดในพบใดก็ตามถึงหาทางทราบไม่ได้เพราะไปด้วยความมืดบอดมีอวิชชาเป็นผู้ปิดบังไว้ นี่ลนะจึงมันจึงกล่อมเข้าไปอีกว่าตายแล้วศูนมีแต่กลมายาของวิชาทางนั้นบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีล้วนแล้วแต่กลอุบายของวิชาซึ่งเป็นค่าศึกต่อธรรมลบล้างธรรมมาเป็นประจำผู้ปฏิบัติจะไม่ทราบเรื่องของอวิชาไม่ทราบเรื่องของกิเลสจะทราบเรื่องอะไร ทำเป็นสิ่งที่จะทราบสิ่งเหล่านี้อย่างแท้จริงอยู่แล้วพระพุทธเจ้าก่อนจะสอนทำแก่โลกพระองค์ได้ทราบความจริงด้วยการปฏิบัติทราบหมดเรื่องของกิเลสประเภทต่างๆซึ่งเป็นสาเหตุให้พาเกิดแก่เก็บตายในวัฏฏะขงสารมามากน้อยเพียงไรพรยานอย่างทราบแทงทะลุไปหมดกิเลสสลายตัวไปจากพระไถ่ เป็พระไทยที่บริสุทธิ์จนล้วนมองทะลุปลุโปรงไปหมดเช่นเดียวกับอวากาศของจิตเบื้องว้างไม่มีอะไรมาปิดบังหุ่มห่อได้ยิ่งทําให้รู้ได้ชัดว่าที่ถูกจิตการที่ถูกปิดบังหุ้มหอ่อไม่สะดวกสบายในการคิดการรู้การเห็นก็เพราะกิเลสเท่านั้นเป็นผู้ปิดบังจีดขวางเอาไว้เมื่อกิเลสบรรลัยลงไปเสียเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะเบื้องว้างยิ่งกว่าจิต ที่เป็นอิสระเสรีเต็มที่ไม่มีอะไรมาบังคับกีดขวางได้อีกนนี่แหละเหตุที่พระพุทธเจ้าจะทรงทราบได้ชัดถึงเรื่องบาปก็ดีบุญก็ดีนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีและทราบคนมายาของกิเลสที่เคยหลอกลวงโลกมานานในอุบายเหล่านี้อย่างกระจัดพระไายเพียงได้ลื้อฟื้นความจริงนี้ขึ้นมาในขณะเดียวกันกับเหมือนกับว่าประจานหน้าของกิเลส ตัวต้มขุนดอกหลวงสัตว์โลกนี้ให้โลกทั้งหลายได้เห็นโดยแสดงว่าบาปมีหนาะบุญมีหนะนานรกมีสวรรค์มีนิพพานมีให้ละบาปหนาะให้บำเพ็ญบุญหนาะให้บำเพ็ญคุณงามความดีให้เต็มเตมเตจนหน่วยถ้าอยากหลุดพ้นจากทุกถึงพนิพพานนะปรากาศ ในโลกนี่รู้ได้เห็นด้วยจักรกระจักสุญาณเห็นอย่างแท้จริงไม่ได้ต้นเดาในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นนี่อ่ะใจที่ทรงมากทรงผลแล้วแสดงเรื่องมากเกินผลทําไมจะแสดงไม่ได้ใจที่เคยจมอยู่กับกิเลสแล้วถอนตัวออกจากกิเลสแล้วทําไมจะแสดงเรื่องของกิเลสไม่ได้ต้องแสดงได้อย่างเต็มภูมิ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 อิทนี้ได้กลายมาเป็นครังแห่งธรรมโดยสมบูรแล้วจะมาแสดงเรื่องอักเรื่องธรรมให้ได้เต็มเม็ดเต็มหมดเต็มเหมยได้อย่างไรต้องแสดงหน้าอย่างเต็มภูมิไม่สงสัยนี่อาจพิงว่าทำ ส, สดสดร้อนๆ้อนธมธรรมมีอยู่ก็ให้เพิงทราบว่าไม่มีสิ่งใดในอวัยวะของเหล่านี้จะสามารถสัมผัสสัมพันธ์ธรรมตั้งแต่พื้นพื้ น, นขึ้นไปจนกระทั่งถึงนิมุติธรรมได้ตาก็สามารถ เห็นตั้งแต่รูปหรือสีแสงต่างๆเท่านั้นนี่วิสัยของตามีเพียงเท่านั้นหูก็เป็นวิสัยไปในทางเสียงจมูกก็ไปทางกลิ่นดิ้นไปทางรสกายไปทางความสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งได้เพียงเท่านั้นไม่ได้ลึกไม่ได้ละเอียดแหลมคมไม่ได้ทราบซึ้งไม่ได้กว้างขวางอะไรเหมือนใจเลยแต่ใจนี้สามารถหมดเพราะฉะนั้นใจจึงเป็นภาชนะที่เหมาะสมอย่างยิ่ง แล้สามารถสัมผัสสัมพันธ์ทําได้ตั้งแต่ขั้นพื้นพื้ น, นเช่นสมาธิธรรมทุกขั้นของสมาธิปัญญาธรรมทุกขั้นของปัญญานี่ยจิตจะเป็นผู้สัมผัสเองเป็นผู้รู้ผู้เห็นเองจนกระทั่งถึงปัญญาขั้นละเอียดสุดท่านเรียกใน ส, สมัยพุทธกาลว่ามหาสติมหาปัญญาใจก็เป็นมหาสติมหาปัญญาเสียเองจนถึงขั้นนิมุติหลุดพ้น อา้าวความบริสุทธิ์เป็นอย่างไรใจเป็นผู้สัมผัสสัมพันสใจเองตาหูจมูกลิ้ยงกายเป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นใจเป็นผู้จะรับภาบเป็นผู้เป็นภาชนะเป็นที่ที่สถิตอยู่แห่งธรรมทั้งหลายตั้งแต่พิ่นเพิ น, พนแห่งธรรมจนกระทั่งนยมุติธรรมจะนอกเหนือจากใจนี้ไปไม่ได้ใจก็ไม่มีคําว่าอาดีตอนาคตใจไม่มีคําว่าร้าสมัยรู้อยู่ตลอดมาและตลอดไป เมื่อใจได้ถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วจะมีอดีตอนาคตที่ไหนและตามธรรมชาติของจิตแม้กิเลสฝังจนอยู่ภายในตัวเองให้เกิดเจ็บปตาอยู่ก็ไม่ปรากฏว่าจิตนี้ได้ตายได้จิบหายไปเหมือนกับอวัยวะทั้งหลายเลยเป็นธรรมชาติที่ยืนโรงอยู่อย่างนั้นในพบชาติต่างๆกิเลศก็เยียบอยู่บนหัวใจนั่นแหละให้ไปเกิดที่นั่นที่นี่มันอยู่บนหัวใจ ให้ไปเกิดที่นั่นที่นี่และกับ ก, กิเลสนั่นแห ล, ละเป็นผู้ปฏิเสธว่าตายแล้วสูญตายแล้วสูญมันเก่งไหมอุบายของกิเลสมันเหยียบย่ำำําทําอยู่บนหัวใจแล้วมันก็ฉุดลากหัวใจหรือเหยียบย่ําหัวใจนั่นแหละให้ไปเกิดที่นั่นที่นี่หักสายหัวใจนั่นแหละให้ไปเกิดในสถานที่ต่ํานุ่มๆดอนๆหรืรรรรอสูง ๆ, ๆต่ำๆแต่แล้วแต่แล้วมันก็บอกว่าตายแล้วสูนญน่ะ การที่เกิดในช่วงที่สูงๆูงน้ำต่ำเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างก็เพราะอำนาจแห่งบาปแห่งบุญมันก็บอกว่าบาปไม่มีบุญไม่มีหน้าบางที่เกิดอยู่ไม่หยุดไม่ ถ, ถอยมันก็บอกว่าตายแล้วศูนย์นเห็นไหมฟังสิอุบาสของกิเลสแล้มคมขนาดไหนมีพระพุทธเจ้าและพระหันเท่านั้นที่จะเปิดหน้ากา ก, ากมันขึ้นมาได้อย่างเอ็มโคตรแทบของมันนอกนั้นยากลําบากมากที่จะทราบของมันต้องยอมให้มันกล่อม แต่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์แล้วไม่มีทางหยอ่อนเปิดหน้ากา่ามันขึ้นมาให้หมดความชั่วช้าหลามบกของมันที่เคยหลอกลวงต้มตุต๋นสัตว์โลกบิบบี้สีไฟสัตว์โลกมาได้รับความทุกข์ควา ม, ท, วามทรมานมากน้อยเพียงไรมีพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เท่านั้นจะเป็นผู้รู้ผู้เห็นจะเป็นผู้ทําลายมันและเป็นผู้แสดงเรื่องของมันตลอดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานซึ่งเป็นของมีอยู่ดั้งเดิมให้โลกทั้งหลายได้เห็นได้รู้ นะความแหลมคมของกิเลสมันอยู่บนหัวใจแท้ๆพาไปเกิดที่นั่นที่นี่ไม่อยู่ไม่ถอยมันยังกล้าปฏิเสธไว้ว่าได้ว่าตายแล้วศูนย์มันหลอกถนัดดีไหมอ้าถ้าสมมติเราจะย้อนสอนกันย้อนรูกสอนกันถ้าว่าตายแล้วศูนย์จริงๆกิเลสมันอยู่กับอะไรกิเลสมันถึงไม่บรรลัยมันถึงไม่ศูนย์นั่น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 ถ้าศูญอะไรมาบริสุทธิ์นั่นก็มีกิเลสเท่านั้นเป็นผู้โกหกโลกว่าตายแล้วศูญ น, นีมันก็เห็นได้ช์ดบริสุทธิ์แล้วยิ่งดูชัดว่าใจนี่สู์ที่ไหนนี่ท่านทีบอกนิพพานังประมังสุขขงังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนั่นถ้าจิตมันศูน์แล้วเอาอะไรมาเป็นสุขอย่างยิ่งล่ะ หเห็นได้อย่างชัดเจนเนี่ยผู้จะทรงมากทรงผลต้องเป็นผู้หนักแน่นต่ออัดต่อทมต่อการบาเพ็ญของตนยิ่ยงกว่าสิงทั้งหลายที่เคยกล่าวแล้วเบื้องต้นถึงเราก็เคยได้สัมผัสสัมพันธ์มาแล้วเคยติดจมมาแล้วไม่เคยมีความอิ่มพอเอาทมเข้าไปเป็นยาเบื่อมันสิให้ได้เห็นความอิ่มพอของกิเลสบ้าง นี่เยเคยฟุ้งซ่านดาคาญสร้างความทุกข์ความลบากให้เรามากน้อยเพียงไรพอจิตเป็นสมาธิมีความสงบเย็นขึ้นมาก็เป็นยาเบื่อความฟุ้งซ่านกลายเป็นใจที่สงบขึ้นมาความโง่เขลาบาปัญญาที่ฝังอยู่ภายในจิตใจจนไม่มีวันอิ่มพอก็ปัญญากระจายเข้าไปพังทลายลงไปเป็นยาเบื่อความโง่เขลาบารมี ญ, ญานั้นกลายเป็นความฉลาดรอบตัวขึ้นมาภายในใจ ใจที่เคยทรงกิเลสว่าเป็นตัวมรรคตผลอันวิเศษตามความเสศสันต์ของมันถ้าเอาสติปัญญาที่ทันสมัยฟาดปันทันแหลมมันลงไปกลายเปัญญาเบื่อกิเลสทั้งหลายให้พินาศพิหายตายไปจากใจกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์รุ่นรุ่นขึ้นมาไปนั่นคู่ปรับกันมีนี่ยาเบื่อกิเลสมีไม่มีแต่กิเลสเบือ่อเบื่อทําเบื่อเราเดียวๆทำเรายังมีทำพระพุทธเจ้าเอามาเบือ่อกิเลส ให้มันพังทลายลงไปทีนี้ไม่ต้องบอกว่าทรงมากหรือไม่ทรงมากทรงผลหรือไม่ทรงผลสันทิจโกแปลว่าผู้ปฏิบัติถึงรู้เองเห็นเองพระองค์ไม่ได้ผูกขาดมอบไว้กับผู้ปฏิบัติทุกรูปทุกนามไปทั้งสมัยใดๆก็ไม่สำคัญเป็นทันที่เป็นธรรมที่ทันสมัยเป็นมัชฌิมาธรรมคือเหมาะสมที่ตลอดเวลาอยู่ในท่ามกลางแห่งมัชแห่งความชอบธรรมอยู่เสมอ จึงบอกมัชชิมาปฏิปทาเหมาะสมในตลอดเวลาเช่นเดียวกับกิเลสมันก็เป็นมัชชิมาของมันเหมือนกันมันไม่เคยเรียวเคยแหลมกิเลสน่ะยิ่งสมยัยใดที่ศาสนาไม่มีกิเลสยิ่งรุ่งเรืองกิเลสยิ่งเรืองอำนาจมีฤทิ์มีเดชบังคับจิตใจของสัต่โลกให้เป็นฟืนเป็นไฟไปหมดเพราะไม่มีน้ําดับไฟคือทำเมื่อทำได้เรืองอำนาจขึ้นมากิเลสก็ทังทลายลงไปเช่นเดียวกัน พระจงพยายามสร้างสมถธรรมอบรมธรรมด้วยความเข้มแข็งให้พังทิลิศลงไปจากใจตัวปิ้นป้อนหลอกลวงนี้มันสําคัญมากเอาให้ดีมันสวมรอยไั้ทุกระยะนะก้าวไปมันสวมรอยสวมรอยในวงความเพียนของเรานั่นแหละมันแหลมขนาดนั้นคมขนาดนั้นแหละให้เอาสติปัญญาเมื่อถึงขั้นสติปัญญาที่เกรียงไกาแล้วมันจะรู้กงกลมายาก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 การเกิดแก่เจ็บตายก็พราะอำนาจของมันพาให้เกิดแก่เจ็บตายแล้วมันก็ปฏิเส ธ, ธว่าตายแล้วศูนเน่ยมันก็สร้างปัญหาขึ้นมาวิเวสจึงเป็นตัวสร้างปัญหาล้วนๆทาเป็นผู้สังหารปัญหาภ า, ายจในจิตใจจนกระทั่งวิเวทหมดไปปัญหาก็หมดภ า, ายจในจิตใจแล้วอยู่ไหนอยู่เธอเอออยู่ไหนก็เหมือนได้เฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาพุทธะแท้คืออะไรศาติดาอุนเอกแท้คืออะไร ก็คือความบริสุทธิ์ของใจนี่แหละความบริสุทธิ์ของเราเป็นอย่างไรสงสัยพุรธิจา้าทรรมมสงสัยภาษาวกทรรมหมเป็นความจริงอเดียวกันนะั่นแล้วมีอดีตอนาคตที่ตรงไหนความจริงเหมือนกันนะัลงที่ตรงนี้แล้วนี่ละเรียกว่าจิตที่ทงมากสทรงผลเมื่การปฏิบัติขอให้ทุกท่านาตั้งหน้าตั้งตาไปปฏิบัติอย่าคุ้นอย่าเคยชินกับสิ่งใด ยิ่งกว่าอัดกว่าทํานี่เป็นทางดําเนินเพื่อความพ้นทุกข์ขอให้จำเอาไวา้ในสอนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มเต็มทำเต็มทัศนก์นกาลังความสามารถเลื่อยมา ก, การสอนหมู่สอนเพื่อนผมสอนด้วยความจงใจจริงๆขอให้เห็นใจและการสอนนี้ไม่ใช่คุยหนาครูบาอาจารย์ทุกๆองค์ไม่ใช่จะเราจะสนิทใจทุกๆองค์ไปนะอืม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 สัตดาองานี้โกหกโลกหรือว่าเป็นสัตดาองาเอกแท้มันจะมันจะแท้ภายในจิตใจของเราก่อนเมื่อแท้ภายในจิตใจของเราแล้วยอมสัตด า, าราบเลยอยู่ไหนก็เฝ้าพระพุทธเจ้าอยูตลอดเวลานี่แหละคือว่าผู้ใดเห็นธรรมนั้นเห็นนาฏถาโคตเห็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี้ซึ่งเป็นเหมือนกันให้พากันต่างอกต่างใจ อยากคุ้นอยากเคยกับอะไรเดินบินธบาติก็ให้มีสติให้มีความเพียรไปตลอดสายเคยพิจารณาอะไรให้ถือนั่นเป็นจิตงานเป็นจิตเป็นการเป็นงานของตนอันทึงเียกบินธบาติเป็นวัดคำว่าวัดก็คือเครื่องแก้แกิเลสอดถอนกิเลสนั่นแหละไปแบบโลเลโลกเล็กคิดโลเลโลกเล็กมันเป็นเรื่องถอนกิเลสได้ยังไงคิดอย่างนี้ก็คิด มีกี่องค์กี่รายไปด้วยกันต่างคนต่างดูหัวใจตัวเองนั่นแหละตัวภัยอยู่ตรงนั้นตัวก่อเหตุอยู่ตรงนั้นให้ดูตรงนั้นแก้กันตรงนั้นกิเลสมันอยู่ที่หัวใจทำจึงต้องแก้กันตรงที่หัวใจแกที่อื่นไม่โทกอยู่ไหนให้เป็นตัวลาพังคนเดียวให้รู้อยู่กับตัวสมองีกระยิงมูเพื่อนมามากจานวนมากนั้นตุนจาตุนจ้านนะ คููสอน อ, อกจอะแตกขอให้พากันตั้งอกตั้งใจยาให้มีเรื่องเจตนาให้เห็นเห็นไม่ได้เป็นอังขาดาการแสดงธรรมสมควรเหนื่อยแล้วครูๆเหนื่อยในนี้